เทศังใช้เวลาเท่าไรไม่รู้ในกี่นาทีวันถึงชั่วโมงไหมนะถึงชั่วโมงไหมอนนี้เทศถึงชั่วโมงไหมฮะใครด้ดูนาฬิกาไหมเวลาก่อนเทศผมก็ไม่ได้ดูนาฬิกานะชั่วโมงสามนะฮะชั่วโมงสามนะฮะชั่วโมงสามนาทีเนี่ยเทศอย่างนั้น เชั่วมงสามวันทก็ยังว่าดีนะทุกวันนี่ว่าหม่เหี๋ยวพูดดีอันนั้นก็บิตบายก็ไปหน้าวัดนี้พูดดีมีความแข็งแรงโดยชาติโดยขันก็ไปในหมู่บ้านตามธรมรมราเล้วยววทีีไม่คำนัไม่จะมีคำนานถ้าขันไม่อำหน่วยก็ไปบินสบาย ท, ที่ เนี่ยอี่หน้าวัดนี่มันเต็มเลยน ะ, ะใส่บาตเต็มการบินบาเนี่ยอผมตามหลักความจริงทุกวันนี่ยผมบินบาทได้ไม่ใช่ผมมีนสบาทไม่ได้นะผมบินบาทได้แต่มาทดสอบผลได้ผลเสียเนี่ยต่างกันคือเวลาออกบินสะบาทคนมาใส่บาตนี่ลุมลุมลุ ม, ลมเป็นสร้างความกังวล เราในเวลาบินทบาทจากจากนั้นก็ไปแค่นี้ไปนี้แล้วก็ก้มก็เงยแล้วก็เทบาทเทบาทแล้วก็รับบาตแล้วก็เงยก็เยมันบินเรียนนีอันหนึ่งแล้วความยุ่งเหยิงกับคนหลุ่มลุ่มนี่อันหนึ่ ง, ววร ง, นนงสร้างความกังวลให้ใจิตใจแล้วก็เป็นความหมูนในในประสาตอีกด้วยให้เกิดอะไรลักษณะบิ้วเหวีแล้ววินเบียนนะก người, ้มเงยก้งยไม่นานแสดงออกมาแล้ว ดีไม่ดีรับเป็นสะบาิไม่ไม่สุดสายเลยออกหนีอะเพราะมันขวดมันบอกจากนั้นแล้วลม้มถุงเนี่ยอันหนึ่งที่ผมไม่ไปเป็นสะบาทเพราะเหตุ น, นี้อันอันอันหนึ่งที่ผมผมไม่ไปเวลาผมไปเดินจงกรมผลได้ของธาตุของขันเนี่ยมันได้มากกว่าผมบ อ, อกเป็นสะบาดเวลาเดินจงกรมเนี่ยไม่มีอะไรมายุ่งเราพิจารณาของเราธาตุขันก็ สะดวกสบายราบรื่นทางด้านจิตใจพิจารณาอัตธรรมนี่จะแหนใดแไหนใดมันก็สว่างก็จางแย้งเพราะเดินโยกรมนี่แล้วพูดให้ฟังประชานี้เรื่องลากกิเลสผมไม่มีไม่แต่คิดพินาเรื่องธาตุแล้วเรื่องจิตใจเรื่องอัตเรื่องทำรูกตื่นอย่ากรเุเอียดแค่ไหนแช่ไห น, ไหนควรจะเป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนมันจะแสดงออกมาในใน ห, หัวใจของใจเท่านั้นสาหรับเรื่องของเจ้าของผมบอกว่าผมไม่มีก็อันนี้ก็เคยพูดแล้วไม่มีมาได้ห้าปี่รือห้าหรสองปีนี้แล้วนะ ไม่มีก็บอกไม่มีที่ว่าเราจะหวังประโยชน์อะไรจากการบําเพ็ญอี้กัาไปไม่มีหรืเรียกว่าวุตซีตัางอะไรสะพูดกับมันยันอย่างนี้ทำผู้ยเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้ยังไงพิเรียนมันเป็นยังไงก็พูดได้ตามพิเรีเด็กที่ทำเป็นยังไงพูดได้ตามทำนี่เวลามันสิ้นสุดของมันแล้วแล้วจะให้มันไปไหนอีกมันก็รู้อยู่จะชันนั่นนี่การที่จะทําประโยชน์ให้โลก หนักเบามากน้อยกว้างน้อยกว้างแคบอะไรมันจะเป็นของมันอยู่ตลอดภายในใจนี่เวลาเดินดงผมเนี่ยเราพิจารณาทำเนี่ยอะไรมุมไนอยู่ในมันมันจะเป็นของมันเองนี่ก็ไม่ต้องถามไก่ที่จะรู้รรลึกซึ้งอยากละเอียดมันจะเป็นภายในจิตภายนจิตเป็นอย่างนั้นนี่แหละเป็นผลดีกว่าที่ผมออกบินสบายเพราะฉะนั้นผมจึงเปลี่ยนมาทางเดินด้วยผมเพราะทางนี้ได้ผลมากกว่าไปเดินไปบินสบายเนี่ย ไอ้เจ่าขี้เกียจผมไม่ได้ขี้เกียจผมเคยบินจ บ, บาทมาตั้งแต่บวชอยู่แล้วนี่ทําไมมาเปลี่ยนแล้วตอนนี้มาเปลี่ยนตอนพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันแล้วก็มาเกี่ยวกับอัตถิธรรมก็มเห็นว่าเดินสังคงมนี่มีผลดีกว่าเราไปเดินกับสถานที่ชนมูลวุ่นวายเกี่ยวข้องกับผู้กับคนอยุ่งเหยิงมากอย่างนั้นก็มาควร ประาทของเราให้วิ่ให้เบียนอะไรอะไรยังไม่ดีเดินไม่สุดสายมันหกกมเ็นเท่ไปก็ได้ถึงไม่ไปทุกวันเนี้ไม่ใช่ไปไม่ได้นะไปได้พันนักเป็นอย่างคุณว่าส่วนเดินโยกกลไม่มีอะไรขัดข้องตลอดเดินจนกระทั่งหมู่เพื่อนมาได้เวลาพราะต้งองควงหมู่เพื่อนมาแล้วออกจากทางกลมาเขามาเขาม า, มาที่นี่ เดินจงกรมอยู่นั่นนะเฮียนะเรื่องจิดอันนี้พูดตงงงเลยว่ามันไม่ได้มีรายจิตข้องในโลกนี้มันว่างเป็นโลกธาตุว่างไปหมดสุญญะโตโลกกลางเวทขั้นสูงโมฆะลาจะไดโตจะเป็นอะไรก็คือใจดวงนี้เมันว่างไปหมดถ้าเราไม่แยกแยกออกไปว่าอันนั้นมีนี้มันไม่มีมีแต่หัวใจดวงเดียวนี้มันว่างไปหมดโลกธาตุนี่ยจะว่าอะไรวัตถุสิ่งของอะไรนี่มันไม่ใช่ธรรมาสัมปันธมันก็ปิดแล้วิดมันทะลุไปหมดเลย นี่ท <mentor> <ide> ่านว่าก <is very unknown> ิจว so so so ่าม like ันว่างงั้นนะมันเป็นในหัวใจเของเองมันก็รู้แต่มันไปติดโน่นติดนี้ก็ไมนั่นภูเขาทั้งลูกหรืออะไรหวยมันไม่ติดเลยมันทะลุไปเลยจึงเรียกว่าว่างไม่มีอะไรก็มาผ่านได้เลยจึงเรียกว่าว่างภูเขามาผ่านไม่ว่างไอ้ไม่มีภูเขาทั้งลูกก็ไม่มีดินทั้งแผ่นก็ไม่มีทะลุไปหมดเรียกว่าว่างแมันเห็นไปจากในหัวใจจะถามใครว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจอ่ะ ธรรมชาตินี้เต็มตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปาหาอะไรมาเพิ่มมาเติมมันเต็มหัวใจอยู่แล้วมันรู้เต็มหัวใจตัวเต็มตัวตัวนั่ น, น, นหมู่แว่นบางก็บังง่วงง่างมาเรื่องนะพลังงานมันต้องตึงต้องตังเคนะรื่องมแผงจริงจังด้วยนะใจย่อๆนไม่ดีหรอกนะพลงงงา น, าน ต้องมีแบบมีเตียงจริงจังมันถึงได้เหตุใดของแล้วอะไแหลมันเป็นชาไงอ๋ออะไรก็ไปอัดสกังเข้าตึกว่มันเบิกออกหมดสมุดไม่มาเกี่ยวข้องแล้วเหนือสมุดเบอประการทั้งปวงแล้วมันไม่เคยตึกใส่ข้องนะมันว่างไปหมดเลยนั่งเปลืองนะจิดใจ เมืมรร่อคาุรูเคือพุ่งเข้าจริงทอผไก่นเพียงตัวเงหนุยน่นก็เป็นมันท้อใจที่จะสั่งฟงโลกเพราะธรรมชาติมันไม่เหมือนโลกมันเลยสึกอายุการเป็นทุกขากทุกาเห็นมพวกนี้มันคอยโอกาสอยู่คอยจะมาดูมันพุ่้ากล่าวไปฟัง ก, กาแล้วก็ไหวเอ า, าเลาเบย์ผมไม่พาตาไป